ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รวมปพิยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจจเวคขณะสมถธิธิในตอนที่ว่าด้วยอภินหาปัจจเวคขณะหรือข้อที่ทรงสอนให้นำมาคิดนำมาพิจารณาจะบ่อยๆพิจารณาเนืองเนือง อย่างวัดบางวัดเนี่ยเขากำหนดเป็นบทสูตรทุกเช้าหรือทุกเย็นก็แล้วแต่วัดไหนจะใช้ ย, ช ย, ยังไงพระจะสูตรสายายพร้อมกันในตอนทำวัดเช้าเช่นวจราตมุมิจรังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ ปยาทีธมมหิตปยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเจ็บไข้ไปได้มณธมมหิตมนังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความตายไปได้สเปหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือจากพลาพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวง คือเรื่องการพัดพราดสูญเสียเ น, นี่ยเป็นเรื่องนิรันดร์แต่ว่าปัญหาที่น่าคิดว่าทำไมพู้เจ้าทรงสอนให้เรามองถึงสิ่งที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักสิ่งที่เรารักเป็นการเตรียมใจเอาไว้ว่าเราจะต้องพัดพลากจากมันทำไมไม่ให้เตรียมใจ ที่จะต้องพระพรากจากคนซึ่งเราไม่รักสัตว์ที่เราไม่รักสิ่งที่เราไม่รักเพราะการพระพรากจากสิ่งเหล่านั้นไม่มีปัญหาอะไรมันมีแต่ดีใจเราต้องการจะแก้ทุกข์และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสอนคนไม่ให้ประมาทในการที่จะทนุบำรุงดูแลรักษาป้องกันสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจ ยี๋ยวันก่อนมีข่าวเล็กๆนะฮะที่แคนาดาที่แม่ปล่อยให้ลูกก็รู้สึกจะสงสามขวบคลานออกไปเล่นหิมะอยู่ไปจมอยู่ในกองหิมะทั้งหลายชั่วโมงหัวใจหยุดเต้นไปตั้งสองชั่วโมงแล้วหมอก็นำไปโยยยารักษาวันก่อนเนี่ยก็มาออกก็เห็นมื อ, อยังนั่นอยู่ เมื่อก่อนอยังรู้สึกกันว่าจะต้องตัดมือไปมากกัดเดยอะแล้วก็มีข้าวว่าจะเป็นปกตินั่นคือเราเห็นว่าลูกเนี่ยมันเป็นดวงตาดวงใจของแม่แต่แม่เองก็ประมาทเกินไปว่าปล่อยเด็กขณะนั้นไว้อายุขณะนั้นไว้คนเดียวในบ้านเนี่ยแม่มันเสี่ยงมหาศาลและการก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเราได้ยินบ่อยๆในเรื่องล่านี้ ของรักคนรักสิ่งที่รักเนี่ยแต่ว่าไปเก็บไปวางไปปล่อยไว้ในที่ที่ไม่ควรเก็บควรวางควรปล่อยพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะเศร้าโศกเสียใจแต่การเตร่ยนใจนั้นมันต้องอีกระดับหนึ่งด้วยนะคือว่าขึ้นไปสู่ระดับหนึ่งเพราะตัวเราแม้จะเป็นที่รัก หรือว่าสิ่งแม้จะเป็นทีรัก์หรือคนสัตว์แม้จะเป็นทีรักเนี่ยเือก็จริงแล้วเราไม่พ ร, พราดพาดจากเขาเขาก็พลาดพาดจากเราไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปเพราะจริงๆจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งบางคนต่างมาต่างคนต่างอยู่แล้วก็ต่างคนตดังไป การได้มาอยู่ร่วมกันระยะหนึ่งซึ่งบางครั้งบางคราวมันก็ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วเ ป, เป็นเพื่อนฝูงกันก็ดีเป็นผู้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชากันก็ดีคือแม้แต่เป็นสามีภรรยากันก็ดีเป็นการอยู่กันเพื่อจากเพราะนเมื่ออยู่ร่วมกันก็ต้องเตรียมใจที่จะยอมรับกรรารพลาดาดอย่างกัน ซึ่งโครงสร้างความคิดเหล่านี้ที่จริงมันก็เหมือนกับเรื่องโลกธรรมที่กล่าวไว้ในวันก่อนโน้นนะว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตทั้งหลายเราจะชอบหรือไม่ชอบมันมีเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิดแต่มันเกิดมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันที่มันยุ่งเนี่ยคือเราไม่รู้จักไม่รู้เท่าทันมันว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเอง แต่พอมันเกิดเป็นอย่างที่มันเป็นเราก็เดือดร้อนตามความเป็นของมันซึ่งที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราก็ดึงเราเข้าไปเกี่ยวเฉยเพราะงั้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดว่าคนตายเป็นทุกคนแก่เป็นทุกคนเจ็บเป็นทุกพระพุทธเจ้าใช้คำกั่งว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นทุกเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเป็นทุกเพราะอะไรเพราะว่า มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันมีการแผดะผอมันมีความเล้าร้อนแต่ว่าการที่เราต้องเอาเราเข้าไปทุกข์ด้วยทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้แก่เองไม่ได้เจ็บเองไม่ได้ตายเองเพราะเราไปรู้สึกมันเป็นของเราแต่ของเรานะั้นต้องรู้สึกรู้สึกด้วยความรักด้วยนะฮะถ้ารู้สึกด้วยความจังไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย รู้สึกเฉยๆก็ไม่มีปัญหาใดๆดังนั้นในหลักการครองชีวิตจริงๆในแนวอินเซียสังวรพระเจ้าสอนไม่ให้บุคคลสะสมความรู้สึกเหล่านี้เอาไว้ให้มากที่ทรงใช้คาว่าไม่ยินดียินร้ายเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลุ่มขิ่นลินล้นนิ่มรัดกายถูกต้องย็นนอนอ่อนแข็งอย่าสะสมความยินดียินร้ายเอาไว้เพราะจะเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งบาป จะสมมติว่าเรามีคนที่เราเกลียดแยะพอคนที่เราเกลียดตายทีหนึ่งเนี่ยเราก็ดีใจพลาดพลาดทีหนึ่งล้วก็ดีใจเจ็บไข้ทีหนึ่งเราก็ดีใจสะใจนะที่จริงมันไม่ใช่ดีใจปัถหามันได้อะไรขึ้นมันเป็นการทำลายคุณภาพจิตใจของเราเองให้ตกต่มลงไปแต่ที่จะหาประโยชน์ จากสัจธรรมเหล่านั้นเรากลับได้รับโทษจากสัจธรรมเหล่านั้นทีนี้ถ้าหากว่าคนที่เรารักสิ่งที่เรารักสัตว์ที่เรารักตั้งเกิดตายโ จ, จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ปริเวทนาการปัญหาสาคัญมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรแต่กลับเพิ่มปัญหาให้ กับเพิ่มความทุกข์ให้กับเพิ่มความเดือดร้อนให้อย่างที่พระเจ้าทรงสอนเอาไว้าการร้องโหมร้องไห้การเสียเสียใจปริเวณนาการข้าม ค, ครูนต่างๆเมื่อยามที่คนนั้นเป็นที่รักสัตว์นั้นเป็นที่รักสิ่งนั้นเป็นที่รักต้องพราดพาดจากไปนั้นเนี่ยมันไม่ควรทวําพราะทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ขึ้นหนึ่งเนี่ย เช่นสมมติว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เราตายไปแล้วเราร้องไห้เสียใ จ, ใจท่านก็ตายแล้วนะท่านก็ไม่ได้รับรู้อะไรการร้อ ง, องห่มร้องไห้เสียวเสียใจของเราท่านมาอย่างท่านมาแล้วท่านก็ไปอย่างที่ท่านไปท่านไปนเกิดแล้วได้ซ้ำไปนะเกิดแล้วตามกรรมได้ซ้ำไปเพราะท่านก็ไม่รับรู้การร้องไห้เสียวเสียใจอะไรของเรา ประการที่สองญาติพี่น้องที่มาในงานเนี่ยลูก ข, าข่าวเข้าก็จะปล่อยเศร้าโศกเสียใจตามไปด้วยประการที่สามคนที่เป็นศัตรูของเราจะรู้สึกชื่นชมยินดีที่เราเห็นหเราประสบความพิบัติซ้ำซากและสุขภาพกายสุขภาพจิตเราก็สุดสม แต่ถ้ารูตรงนี้ยเราเจียมใจเจียมใจเห็นว่าความพระดพลาบมันก็ธรรมดาก็เรียกว่าอยู่ทางเมต翰ทางไปจะต้องพูดวของหายอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องไปเดือดร้อนนี่ยที่บทโบราณนั่นบอกของหายแต่พายบาปบกก็ดีเหมือนกันก็ได้เปลี่ยนใหม่อืเขาไม่มีใช้เขาก็ได้ใช้เราเองก็ได้เปลี่ยนใหม่ ทีนี้เนี่ยเวลาเนี้ยที่จริงของหายในลักษณะต่างๆเนี่ยมันไม่ว่างเว้นหรอกแม้แต่ในวัดในวางที่น่าเจ็บใจก็คือว่าที่หน้าโบสถ์บางแห่งเนี่ยต้องเขียนว่าระวังรองเท้าหายนะคทําคือโลกมันตกต่ำทางจิตวิญญาณเดีย่ยราะะนกลจะประสบความสูญเสียโดยไม่จําเป็นอะไร เดินว่าเดินเหอนอาจจะถูกกรีดกระเป๋าอาจจะถูกร่วงกระเป๋าอาจจะถูกปล้นจี้อ ะ, จะอะไรต่างๆนั่นก็เป็นความสูญเสียเป็นความพลัดพรากซึ่งมันเกิดขึ้นได้เรียกว่าตลอดเวลานอย่างในกรณีของัติเหตุต่างๆหรือว่า คนที่ถูกฆ่าตายในสถานที่บางแห่งอย่างเช่นผู้ว่าจัางหวัดเะษฐ์สุธรอะไรบันก่อนเนี่ยหรือแพทย์หญิงอะไรเนี่ยมันก็เป็นความพลัดพาดสูญเสียซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลอะไรแต่ว่าก็เป็นครูอย่างหนึ่งนะว่าชีวิตเรานี่เอานิยายะไรไม่ได้เลยตรงนี้เป็นคติธรรมดาของชีวิต เน้นย้ำสอนคนไม่ให้ประมาทในการครองชีวิตคือกันในขณะที่เรากำลังแก่จะตายเมื่อไร่ก็ได้ในขณะที่เรากำลังเจ็บจะตายเมื่อไรก็ได้ในขณะที่เราตายเนี่ยมันก็แน่นอนไม่รู้กาลเทศสะสถานที่อะไรกา ร, รพลากพลาก็เป็นเรื่องนิดันทั้งหมดนะัเป็นกฎของอนิจจตานะฮะคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็เป็นเข้ามาอย่างนี้แหละ ก็ไม่รู้จะว่ายังไงในข้อต่อไปเป็นเรื่องของกรรมอย่างที่บอกว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเหตุคือเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นภายในใจของเราก็ไปนเดว๋ยเราคิดเราทาเราพูดมันมีสองอย่างอะดีกับไม่ดีถอาดีเขาเรียกว่ากุศลกรรมคือคิดอย่างฉลาดพูดอย่างฉลาดทาอย่างฉลาด ถ้าไม่ดีก็ได้อกุศลแล้วกันถือเป็นความคิดแบบก็โง่เป็นการทําแบบกงโง่เป็นการพูดแบบก็โง่อย่างอะไรวันก่อนมีข่าวเล็กๆว่ารื่อทีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเปลี่ยนชื่อยาบ้าเป็นยางโง่มันปัญหาว่าสื่อสารได้ขนาดไหนคือต้องฟังแล้วเนี่ยยาบ้านี่น่ากลัวจาง กว่าโง่คือแม้แต่ยาม้าเนี่ยมันยังน่ากลัวกว่ายาโง่นะคือดูแลมันมันมันมันมันน่ากลัวมันสื่อสารแล้วมันน่ากลัวโง่เนี่ยมันมันมันหนักบรรน้อยมันน้อยกว่าบ้าคือน้ำหนักเป็นทำให้น้อยกว่าบ้าก็โง่ก็โง่สิ แล้วมันก็ต้องคิดได้ดีนะฮะบางทีสื่อสารออาไปแล้วเนี่ยบางทีมันเราต้องการในคนขยดต้องการในคนดังเกลียดต้องการในคนกลัวต้องการในคนหลีกหนีเพราะการสื่อสารเนี่ยมันต้องนึกแล้วน่ากลัวมันจะนึกแล้ ว, วธรรมดาคนงโง่มันก็ธรรมดานี่นะก็ไม่เห็นแปลกอะไรเยอะไปคนงโง่ในโลกคนเราก็เกิดมาด้วยความงโง่ด้วยกันแต่ไม่บ้าด้วยกัน มันบ้านนั้นไอ้บ้านร้อยแปดบ้านห้าร้อยจำพวกมันก็บ้านนะคือสตบ์ใดที่ยังมีกิเลสที่จริงก็มีส่วนของความเป็นคนบาอยิงแต่ว่ามันสื่อสารแล้วเนี่ยน่ากลัวน่ารังเกียจมากกว่าส่วนโง่มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยแต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียด เ, รเพราะเห็นเน่พลาดหัวเฉย ราเลียก็เป็นยังไงก็ไม่ทราบเพราะเราจะเห็นว่ากรรมเนี่ยมันเคลื่อนใช้ว่ากุศลนะกุศลคือไม่ฉลาดกับฉลาดไม่ฉลาดเราอาจจะเรียกว่าโง่ ก, ก็ได้เอว่าเขาก็ได้เป็นพานก็ได้เหยาก็ได้นะก็แล้วแต่เป็การเสนอให้เลือกเอา ตอการพิจารณาเนี่ยพิจารณาให้เข้าใจว่าชีวิตกับกรรมกรรมกับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันสแสดงว่าชีวิตเรานั้นถูกลิอกคิดโดยเราเองเราสามารถจะเลือกทางเดินในแก่ตัวเองได้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้บารน้อย จ, จะเอาอะไรล่ะที่ทรงสอนในพิจารณาว่ากรรมัสโกมิกรรมดาญโดเป็นต้นนึงนแปลว่าเรามีกรรมเป็นของของตน มันเหมือนกับเรารับประทานอาหารเป็นกรรมความอิ่มเป็นผลของกรรมเคยรับประทานคนนั้นก็อิ่มเห็นไหมมันก็เดินเป็นสามจังหวะอย่างเงี้ยกรรมมันก็เป็นกรมันอย่างเงี้ยเราอ่านหนังสือเป็นกรรมการรู้หนังสือเป็นผลของกรรมใครอ่านคนนั้นก็เป็นเจ้าของผลคือเจ้าของความว mice, รู้ตรงนั้นก yani ็เดินจะมาแบ่งความรู้ตรงนั้นไม่ได้แต่ก็ต้องการจะแบ่งก็ก็ต้องอ่านเองอาการกินยาเนี่ยเป็นกรรม การหายจากโรคเป็นผลของกรรมนะใครเป็นคนกินยาคนนั้นก็เป็นเจ้าของผลคือความหายจากโรคเป็นกระบวนการของชีวิตเนี่ยชีวิตจึงเป็นกระบวนการของกรรมทำให้เราเลือกทางเดินในแก่ชีวิตได้แต่ว่าโบราณท่านพูดไปดีท่านบอกว่าทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์ คือทางที่จะดำเนินไปเรียบเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาไม่มือหวามันคนไม่่ออบแต่ว่าทางที่สนุกสนานเพลิดเพลินเ๋าทางเตียงก็แค่กระลงกลงสบายไม่ต้องฝากฟันอุปสรรคอันตรายอะไรคนมันชอบ อย่างอันตรายซับซากเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ใครเกิดมาก็ตามถ้าเรามองดูนะว่าคนรุ่นปุย่าแต่ยายของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะฮะตั้งแต่โลกมีมนุษย์มาได้ทำไปมันก็ประรบปัญหาต่างต่า ง, างปัญหายากรรมปรัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาศาสนาปนัญหาเหล่านี้มันก็ประรบกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนก็ยังทา ยังสร้างเหตุแห่งปัญหาแล้วก็พอเกิดผลขึ้นมาก็ดึงคนอื่นเข้ามาเดือดร้อนอีกเป็นนั้นมากอันเนี้ยกันนั้นถ้าเราสังเกตเห็ว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงในรูปตรงเนี้ยที่จริงมันก็คือแนวแนวมัคคะสมาธิฐินั่นแหละกัแนวกรรมก็คือแนวมัคคะสมาธิคือหมายความว่า มันเป็นทางเดินว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไปทางนี้ก็จะถึงตรงนี้ไปทางนี้ก็จะถึงตรงนี้นี่มันมันมันบอกไว้เสร็จเนี่ยเป็นการเสนอในแนวทางเลือกแต่อย่าลืมนะว่าเราเป็นเจ้าของผลนะเมื่อเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ลรจะสร้างเหตุให้เกิดความทุกข์แก่ตนทำไม เพราะว่าในแง่ของความจริงแล้วโจรกับโจร น, นะกับคนที่เป็นศัตรูกับคนที่เป็นศัตรูกันมันเจอกันอาจจะทำลายต่อสู้หักล้างกันมากมายแก่กองจนถึงฆ่ากันตายมันก็ทำได้เท่านั้นเนะี่ยแต่ว่าจิตมุจิตคนเราที่ตั้งไว้ผิดเนี่ย มันเริ่มจากความตั้งไปผิดเดี๋ยวคิดผิดพูดผิดทำผิดเนี่ยมันดึงปัญหาต่างๆมาเป็นอะไรกันนั้นปัญหาสาคัญว่าเราจะเลือกจะเลือกเดินยังไงจะเลือกประพฤติปฏิบัติยังไงแต่ตรงนี้เขาเป็นอย่างเนี้ยคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมผลนั้นเราเลือกเองมันไม่ใช่ใครเลือกให้ แต่ทีนี้เมื่อเราต้องการผลดีเนี่ยเราไปประกอบเหตุไม่ดีแล้วจะให้ได้ผลดีไม่ได้มันก็กฏธรรมดาเนี่ยเราต้องการมะม่วงก็ต้องปลูกจนมะม่วงต้องการหมากก็ต้องปลูกหมากต้องการมะพร้าวก็ต้องปลูกมะพร้าวผลไม่จะต้องออกมาลงตัวอย่างนั้นแต่ถ้าเหตุอย่างหนึ่งแล้วต้องการให้ผลอีกอย่างหนึ่งปลูกมะพร้าวต้องการให้ผลเป็นหมากต่อประม่วงให้ผลผลออกมาเป็นมะขามมันเป็นไปไม่ได้ก็กลายเป็นกฎ มีกา ร, รเป็นกําเนิดคือเราจะเป็นคนดีเป็นคนช่วยจะเกิดที่ไหนจะมีสุขมีทุกอย่างไรนี้จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรเนี่ยมันรุนแลแต่กรรมเอาขนาดนี้เราจะเป็นใครเนี่ยมันอยู่ที่การตัดสินใจเราในขณะนั้นๆเ้าเป็นคนดีๆ เ, เดินไปชกกระเป๋าคนนี้เดียวก็เป็นโจรแล้วอารมณ์ดีๆอยู่แล้วเกิดลูกอำนาจระโทสะขึ้นมาจักปืนเปี้ยงยิงคนตายก็เป็นฆาตรกรเลยทันที ขับรถงี่บไปนิดเดียวนั่นเองชนคนตายก็เป็นฆาตกรทันทีเห็นไหมอยู่สบายๆเนี่ยบางทีก็อยู่ในห้องแอร์สบายๆแต่ก็ตัดสินใจผิดทำผลักดันตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกในตาราง แสดงว่าการเป็นชาวนาคนดีชาวสนคควนควนดีกขมขอนคดีคนดีคนชั่วเป็นพระเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นใดทาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเรานะทําให้เราเป็นที่เราเรียกเขาว่าเป็นชาวนาเพราะเขาทํานาจะเรียกชาวสวนเพราะเขาทาสวนที่เรียกว่าเขาฆ่าคนเรียกว่าฆาตะกรเพราะเขาฆ่าคนเรียกว่าขโมยเพราะเขาลักทรัพย์เรียกว่าคน เขาพืดผิดในทางเพศเ็าเพราะประยุ่งเกี่ยวกับปัญญาขอาใจเองเราเจนว่าเป็นความอาะยศอดสูแม้แต่ขนาดตูกล่าวหาอย่างนึกถึงสวท่านหนึ่งนะที่จริงก็รู้จักแต่ไม่เคยคุยกันอย่างนึกสงสารจริงหรือไม่จริงก็ดูหน้าตาเขาก็น่าสงสาร ตอะนั้นแหะคือตัดสินใจพลาดที่เดียวเรานึ่ถึงลูกถึงหลานเขานึกถึงญาติพี่น้องของเขาาจะมีความรู้สึกอย่างไงในเมื่อคนก็เราถูกกล่าวหาอย่างนั้นแล้วก็สังคมในตัดสินส่วนหนึ่งในสังคมตัดสินไปแล้วเพราะนั้นถาทีที่สังคมให้ท่าทีที่สังคมแสดงออกต่อเขามันก็แสดงในทํานองเฉยเมยหรือดูหมิน่นหรือว่าบางทีก็ไม่ยอมรับ มาที่แสดงดังข้ออังเกยียไปเลยทั้งที่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะนะเือมาเป็นคนมองอะไรตามกฎเกณฑ์เกณฑตามปกติไม่ค่อยหอวือบาอะไรไปกับใครหรอกไม่ว่าอะไรก็ตามมีการจจดท่วงกล่าวหาคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนูน้นคนเขาก็เชื่อมาแล้วฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ติดใจอะไรถ้าก็ชั่วก็เป็นเรื่องของเขาก็ดีก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเขาชั่วมาเราก็ไม่ซ้้าเติมเขาถ้าเขาดีเราก็ถ้าชัดเจนนะฮะเราก็ยกย่องเราสจินเขาเป็นการวางจิตไว้ให้เหมาะสมเพราะเขาเป็นไปตามกรรมของเขาแต่เขาก็พร้อมจะเป็นครูกังเรานะฮะทั้งเขาทำดีแล้วก็ทำไม่ดีมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพวกพ้องเป็นพืช คือเราจะเริญเติบโตไปตามกรรมของเราแล้วก็อิงอาศัยกรรมทนดีก็ได้อาศัยความดีทำชั่วก็อาศัยความชั่วตาบใดที่ความชั่วยังให้ผลเนี่ยแม้จะมีความดีอยู่ก็ความดีก็ทำอะไรไม่ได้ปรับใดที่ความดีกาลังให้ผลอยู่นี่ความชั่วมันก็ทำอะไรไม่ได้แต่ตามความชั่วแรงๆเนี่ยก็แทรกมาได้นะ แล้วก็ทงสรุปไปเห็นว่าใครทำกรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องไปผู้รับผลกรรมนั้นอันนี้ต้องคิดบ่อยๆต้องนึกบ่อยๆนึกอยู่สม่าเสมอนึกเรื่อยๆได้ข่าวได้คราวอ่านหนังสือพิมพ์ได้พบได้เห็นอะไรนึกให้มันเขาเรียกว่าเตือนจิตสกิจใจไว้เรื่อยๆปัญหาสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราสะสมไว้ภายในใจมากๆ พอถึงจุดหนึ่งเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นเนี่ยเราจะตั้งหลักได้จะไม่เดือดร้อนจะไม่บุนวายจะไม่สับสนไปตามกระแสต่างๆที่มันเกิดขึ้นบทหลักการตรงนี้จึงเป็นหลักการที่ทรงสอนแนวอภิหนหาปฏจปักษ์กันคือให้พิจารณาบ่อยๆพิจ า, จารณาหนึ่งเดือนดังกล่าวซึ่งฝั่งทั้งหลายในรลวงระพุทธยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง้อ ง, งามไปบูรณนธรรม อูมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี